ขยายความ 1. จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา 1.1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่มุ่งต่อปัญหาที่ว่าทำอย่างไร เราจะเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ 1.2 คนทั้งหลายมักมองข้ามเรื่องความพ้นทุกข์แต่มุ่งความสนใจไปที่การแสวงหาความสุขเพราะไม่รู้ความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นกองทุกข์แท้ๆไม่มีทางทาให้เกิดความสุขถาวรได้จริงยิ่งดิ้นรนหาความสุข หรือหนีความทุกข์มากเพียงใดจิตใจก็ยิ่งมีภาระและความทุกข์มากขึ้นเพียงนั้นเพราะไม่ว่าจะดิ้นรนเพียงใดความสุขที่ได้มาก็ไม่เคยเต็มอิ่มหรือมิฉะนั้นก็จืดจางไปอย่างรวดเร็วเสมอความสุขเหมือนสิ่งที่รอการไขวยคว้าช่วงชิงอยู่ข้างหน้าเหมือนเหมือนจะคว้าได้แต่ก็จะหลุดมือไปรออยู่ข้างหน้าต่อไปอีก เป็นเครื่องยั่วและเร่งเร้าให้เกิดการนิ่นรนอยู่ตลอดเวลาโดยหวังที่จะได้ครอบครองความสุขอันถาวรให้ได้ 1.3 แท้จริงความสุขที่พวกเราเที่ยวแสวงหานั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่ควายคว้ามไม่ถึงเรามักคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นจะได้สิ่งนี้ถ้าไม่เจอสิ่งโน้น ก็จะมีความสุขเราไปหลงว่าความรู้ทรัพย์สินเงินทองครอบครัวญาติมิตรชื่อเสียงอำนาจความสนุกสนานสุขภาพคือตัวความสุขเราเอาแต่ดิ้นรนสแสวงหาความสุขโดยไม่รู้จักความสุขที่แท้จริง 1.4 พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้สแสวงหาความสุขชนิดที่เป็นภาพลวงตานั้นแต่สอนให้เรียนรู้ทุกซึ่งเป็นความจริงของชีวิตมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ตอบปัญหาเรื่องทุกขไว้โดยตรงรวมทั้งบอกสาเหตุของความทุกและบอกวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกขสิ้นเชิงเอาไว้ด้วยถ้าเราศึกษาเรื่องทุกจนเมื่อใดเข้าถึงความพ้นทุกเมื่อนั้น จะได้พบความสุขอันเต็มบริบูรณ์ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ทันที 1.5 บางคนอาจมองเลยไปอีกว่าพระพุทธศาสนามองโลกแง่ร้ายเกินไปคือมองว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ประเด็นนี้ต้องขอแขวนไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว พระท่าอธิบายกันในขณะนี้ก็จะกลายเป็นข้อตกเถียงทางปรัชญาไปเพียงอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบแล้วลงมือเรียนรู้ทุกตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็จะเห็นความจริงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาตกเถียงกันเลย คืออะไร 2.1 พระพุทธศาสนามองความทุกข์ไว้อย่างลึกซึ้งและหลายแงยม่มุมมากกว่าความทุกข์ที่พวกเรารู้จักกันทั่วๆไปกล่าวคือ 2.1.1 จ เ ค, เคือความทุกข์ทั่วไปที่พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วได้แก่ความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเองสำหรับผู้ที่ไม่เคยเจริญสติอาจรู้สึกว่า น, น, นานๆทุกข เ, เวทนาจึงเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแต่ผู้ที่จเจริญสติอยู่จะพบว่าทุกข เ, เวทนาเกิดขึ้นบ่อยมากเช่นถ้าเรามีสติรู้กายอยู่ จะพบว่าความทุกข์เหมือนสัตว์ร้ายที่วิ่งตามทําร้ายเราอยู่ตลอดเวลาทําให้ต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายต้องอาบต้องเช็ดล้างต้องเกาต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกแทบไม่ได้หยุดพักเลยบางคราวมีความป่วยไข้อันเป็นความบีบคั้นที่รุนแรงและท้ายที่สุด เมื่อหมดกำลังวิ่งหนีทุกข์เราก็จะถูกความทุกข์ทำร้ายเอาจนตายยามใดที่ทุกเขเวทนามันเทาลงเราจะรู้สึกว่าเป็นสุขแต่ไม่นานเลยความทุกข์ก็ตามมาทันอีกคราวหนึ่งหากมีสติรู้อยู่ที่จิตใจก็จะพบว่าจิตของเราเกิดความเครียดขึ้นแทบตลอดเวลายามใดมีความเครียดน้อยลง ก็รู้สึกเป็นสุขยามใดมีความเครียดมากขึ้นก็รู้สึกเป็นทุกข์ 2.1.2 ทุกขลักษณะทุกชนิดนี้ไม่ใช่ความทุกข์ในความหมายทั่วไปที่ใครๆก็รู้จัก แต่มันเป็นลักษณะทั่วไปของสิ่งที่เป็นสังขารคือร่างกายจิตใจและสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่อาจคงทนอยู่ได้ตลอดไปดังนั้นตามความหมายนี้กระทั่งความสุขก็มีลักษณะเป็นทุกข์เช่นกันคือมีความทนอยู่ไม่ได้เรื่องทุกขลักษณะนี้จะเห็นชัดขึ้นเมื่อได้ลงมือเจริญสติแล้ว ในชั้นนี้จึงควรทราบไว้เพียงนี้ก่อน 2.1.3 ทุกข์ทุกเพราะตัณหาทุกชนิดนี้เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่แทบตลอดเวลาแต่หาผู้มองเห็นได้น้อยนักส่วนนักปฏิบัติพอจะมองเห็นทุกชนิดนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูจเจริญสติโดยใช้อารมณ์ในฝ่ายนามธรรมซึ่งจะเห็นว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือเห็นว่าหากจิตเกิดความอยากหรือตัณหาและความยึดถือหรืออุปาทานคือตัณหาที่มีกําลังกล้าในรูปนามและอารมณ์ทั้งหลายแล้วจิตจะเกิดความทุกข์คือความอึดอัดขัดข้องทั้งหลายขึ้นมาทันที หากจิตปราศจากความอยากและความยึดถืออารมณ์จิตจะไม่ทุกข์แต่กลับจะทรงตัวอยู่อย่างเด่นดวงมีสภาพรู้ตื่นเบิกบานและมีความสุขอยู่โดยตัวของมันเองผู้ปฏิบัติที่จิตเกิดปัญญาเต็มที่ในระดับนี้จะมีสมาธิบริบูรณ์คือจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้โดยไม่ต้องระวังรักษาอีกต่อไปอันเป็นภูมิธรรม ในระดับพระอนาคามีนั่นเองท่านที่เข้าถึงภูมิธรรมขั้นนี้บางท่านจะเกิดความนิ่งนอนใจไม่ขวนควายปฏิบัติต่อไปเพราะมีจิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงนั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยอันปลอดภัยและมีความสุขมากอยู่แล้ว 2.1.4 ุสทุกขสัตว์หรือขันคือทุกข ทุกชนิดนี้เป็นทุกข์ที่ลึกซึ้งที่สุดผู้ที่เข้าใจความทุกข์ชนิดนี้อย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นจึงจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะการรู้จักเพียงทุกขเวทนาเป็นเรื่องสามัญที่ใครๆก็รู้จักการรู้จักทุกขลักษณะก็เป็นสิ่งที่ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่ก็รู้จักการรู้จักทุก์เพราะตัณหาก็ยังไม่ใช่ปัญญาที่ถึงที่สุด เพราะยังเห็นว่าจิตบางอย่างเป็นสุขและจิตบางอย่างเป็นทุกข์อย่างมากที่สุดก็เข้าถึงทำได้ในระดับพระอนาคามีเพราะจิตมีปัญญาเข้าใจว่าถ้าเกิดความอยากและความยึดถือจิตจึงจะเป็นทุกข์จิตจึงพอใจที่จะตั้งมั่นไม่แสวงหาอารมณ์ภายนอกอันเป็นที่ตั้งแห่งความอยากและความยึดถือแต่กลับหันมายึดมั่นในตัวจิตที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสเองต่อเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนปัญญาแก่รอบถึงที่สุดอย่างแท้จริงจึงจะเห็นทุกขสัตว์อย่างแจง่มแจ้งว่าขันหรือรูปนามหรือกายใจนั่นแหละคือทุกข์จะมีความอยากและความยึดมั่นหรือไม่รูปนามนี้ก็เป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนอกจากทุกข์ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดดับไปไม่ใช่ว่ากายนี้จิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุ ข, ขบ้างหากแต่เป็นทุกข์ล้วนๆเลยทีเดียวเพียงแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยเท่านั้นเองเมื่อปัญญาแก่รอบจนเข้าใจว่าขันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอันเข้าใจอริยสัจแจ่มแจ้งคือรู้ว่า เพราะมีสมุไทยจึงเกิดทุกข์และเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุไทยเกิดเป็นวัตจักรที่หมุนวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อเมื่อรู้แจ้งทุกข์จนปล่อยวางทุกข์ได้แล้วสมุไทยก็เป็นอันดับไปโดยอัตโนมัติและนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏแจ่มแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาวัตจักรก็เป็นอันความทำลายลง ในขณะนั้นเองผู้เห็นแจ้งว่าขันหรือรูปนามเป็นทุกข์คือมีวิชาและอวิชาได้จะสามารถปล่อยวางความยึดถือในขันหรือรูปนามลงได้อย่างเด็ดขาดและหมดจดเหลือแต่สภาวะที่เป็นทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ทำให้ความอยากคือตัณหาอุปาทาน ที่จะให้รูปนามของเราเป็นสุขและปราศจากทุกข์หมดไปโดยอัตโนมัติจิตจึงหมดความดิ้นรนหรือการทำงานทางใจคือสังขารหรือภพหรือกรรมภพที่จะสแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์จิตจะปล่อยวางและไม่หยิบฉวยรูปนามคือชาติใดขึ้นมาเป็นตัวตนของตนอีกและเห็นถึงสภาวะแห่งนิพพานคือความสิ้นทุกข์เพราะจิตพราก หรือสำรอกออกจากกิเลสและขันได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้เรารู้แจ้งถึงสัจธรรมเหล่านี้ได้และเมื่อเข้าใจแจมแจ้งในความจริงดังกล่าวนี้แล้วจิตก็จะคลายความอยากและความยึดถือในสิ่งอื่นๆที่จิตแปรรู้เข้าเป็นลำดับลำดับ จนถึงขั้นปล่อยวางความยึดถือในทุกข์คือกายและจิตได้ในที่สุด 2.2 ความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้มุ่งปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปได้แก่ขันนี้เองเมื่อใดละอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ลงได้เพราะเห็นความจริงแท้ว่ารูปนามมีลักษณะเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาจิตจะสลัดคืนทุกข์คือขันหรือรูปนามหรือกายใจให้กับโลกทันทีและไม่หยิบฉวยทุกข์หรือรูปนามใดๆขึ้นมาอีกส่วนทุกขเวทนาทางกายในชาติปัจจุบันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องแก้ไขผ่อนปรนตามสถานการณ์เป็นคราวๆไปโดยอยู่ในสภาพที่ว่า แม้กายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยต่อเมื่อสิ้นขันและไม่มีขันใหม่เกิดขึ้นนั่นแหละจึงเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 3. ความทุกข์เกิดจากอะไร สาหนึ่งสำหรับบุคคลและสัตว์ทั่วไปแล้วมักรู้สึกว่าความไม่สมอยากทำให้เกิดทุกข์เช่นอยากเป็นหนุ่มสาวแล้วต้องแก่ก็ทุกข์อยากแข็งแรงแล้วต้องเจ็บป่วยก็ทุกข์อยากเป็นอมะตะแล้วต้องตายก็ทุกข์อยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกข์ไม่อยากได้แล้วต้องได้ ก็ทุกแต่ถ้าปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจะรู้สึกว่าเป็นสุข 3.2. สําำหรับผู้ปฏิบัติจะเห็นความจริงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปว่าความอยากตั้งหากที่ทำให้เกิดทุกข์เพราะความอยากทำให้จิตต้องดิ้นรนทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะให้เราเป็นสุข และพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถ้าปราศจากความอยากจิตก็ไม่ต้องดิ้นรนกระวนกระวายมีแต่ความสุขสงบอยู่ในตัวเองเท่านั้น 3.3 สาสำหรับผู้รู้แจ้งอริยสัจแล้วจะพบว่าขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองจะมีความอยากหรือไม่ ขันก็เป็นทุก์ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เพราะอาวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งว่าขันเป็นตัวทุกกลับไปคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างจึงเกิดสมุทยัยคือความอยากจะให้กายใจเป็นสุขถาวรหรืออยากให้กายใจพ้นทุกถาวรแล้วเกิดความดิ้นรนทางใจ ก็เป็นความทุกข์มะเผาลนจิตใจอยู่แทบตลอดเวลาแม้เมื่อร่างกายนี้แตกสลายลงความไม่รู้ก็จะ ก, กระตุ้นให้จิตปรุงขันใหม่ขึ้นมาเป็นภาระให้ต้องแบกรับทุกข์ต่อไปอีกดังนั้นความไม่รู้อริยสัตว์หรืออวิชชาหรือความไม่รู้ความจริงของรูปนาม น, นี้แหละจึงเป็นรากเหง้าของความทุกข์อย่างแท้จริง เพราะทำให้เกิดการหยิบฉวยรูปนามอันเป็นก้อนทุกข์ขึ้นมาถือไว้แล้วเกิดการดิ้นรนทางจิตใจตั้งมากมายเพื่อจะกระจัดความทุกข์ออกจากรูปนามและหาความสุขมาให้รูปนามตลอดจนก่อให้เกิดขันใหม่สืบต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจึงก่อเกิดเป็นความทุกข์ซําซ้อนที่ไม่รู้จักจบสิ้นได้เลย